ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำมังอธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐิสูตรตามที่พระสารีบุตรเถระตอบคาถามของภิกษุทั้งหลายเนื่องจากเป็นการถามตอบถามตอบกันไปเรื่อย ประเด็นของธรรมะก็กระจายออกไปมากมายแต่สรุปแล้วก็อยู่ในเวทวงของปฏิจจสมุปบาทเพียงแต่ว่าพระเถระได้เริ่มมาจากกอนปลายคือจากชาติฉราบรรณะแต่ว่าในที่สุดก็ามา อธิบายประเด็นตอนนี้จะมาเริ่มที่ปัจจุบนมาเริ่มที่ชาราสองชาราทั้งสองประการวันนี้ก็มาพูดถึงชาติวาระคือในช่วงที่วาด้วยชาติคือความเกิดการเกิดในที่นี้หมายถึงการเกิดในกำเนิดทั้งสี่ คือเกิดใ น, นคันเกิดในไข่เกิดในสิ่งที่ศกระปรกหมากหมมทั้งหลายแล้วเกิดโดยโอปปาติกะคือเกิดโดยผุดขึ้นเพื่อจะให้เข้าใจตรงกันพระเจก็ทรงแสดงกรอบของคำว่าชาติเอาไว้ จัญญาชาติสัญชาติขันธานังปาตุภาโวอรยตนานังปฏิลาโภยยังบุจติพิกเวชาติตุกอนพิกสูทั้งหลายความเกิดการเกิดพร้อมการได้อายจตนะความปรากฏแห่งขันของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆนั้นใดนี้เราเรียกว่าความเกิดปัคําว่าชาติ โดยเนื้อหาแล้วก็หมายถึงเกิดในกำเนิดสี่ไม่ได้มีความหมายอย่างอื่นถ้าทรงแสดงชาติฉลาะนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าบางคำนี่มันไปนปรากฏอยู่ในที่อื่นความหมายก็จะเน้นไปใไนที่ตรงนั้นทีนี้พอชาติมันก็มีพบ เราเหนว่าถ้าแสดงตอนหัวมาพบแล้วก็มีชาติตอนนี้แสดงตอนปลายชาติแล้วก็มีพบพบนั้นมีความหมายอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งหมายถึงสถานที่เกิดและที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและไม่มีชีวิตทั้งหลายคือตัวพบที่อยู่ในฐานะเป็นสถานที่อยู่เนี่ยมันไม่มีชีวิตเรา แต่ว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพบนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็หมายถึงการมาพบพบที่สัตว์โลกยังเสพกามอยู่ยังมีคู่ครองกันอยู่แล้วก็รูปประพบพบที่สัตว์โลกไม่มีคู่ครองแต่ก็มีชีวิตก็มีทั้งขันห้าคันหนึ่งคันสี่ แล้วอรูปภปพคือภพที่ไม่มีรูปมีขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองภ พ, พนี้มันจะเป็นการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือไม่อุบัติก็ตามภพมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ที่ตัวโลกเองนะฮะตัวดวงดาวทั้งหลายที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่ชีวิตก็คงจะเกิดหลังจากนั้นแต่ก็กำหนดระยะเวลาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันนานเหลือเกินอะ พบอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายในเรียกว่าอุปติภพแล้วก็สิ่งที่นำสัตว์ไปเกิดในสถานที่เหล่านั้นก็คือพบและแก่ภาวะความมีความเป็นที่อยู่ภายในใจของคนก็สรุปแล้วก็คือสังขาร สังขารตัวหลักก็คือบุญกระบาบ น, นี้ก็เรียกสังขารภพกัมมะภพกับอุปปติภพเนี่ยท่านกล่าวว่าเป็นกามมภพแม้โดยประการทั้งปวงในรูปภพและรูปภพก็ทํานองนี้แต่อุปาทานในคําว่าอุปาทานเกิดนี้เป็นปัจจัยของกรรมพภพ ที่เป็นกุศลโดยอุปนิสยปัจจัยนี่ก็พูดแบบปัะฐานแบบพระพิธรรมคือหมายความว่าเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันอุปทานเป็นปัจจัยของกรรมภพที่เป็นอกุศลโดยอุปนิสยปัจจัยบ้าง โดยสาชาตปัจจัยคือปัจจัยที่เกิดร่วมเกิดพร้อมกันบ้างแต่ก็เป็นปัจจัยของอุปติภพคือปัจจัยให้ไปอุบัติในในดวงดาวดวในดวงหนึ่งนะและกุศลทั้งหมดก็เป็นอุปนิเสียปัจจัยทีนี้ประการต่อไปนั้นเมื่อพบมันก็มาจากอุปาทาน คือถ้าแสดงจากอาวิชามาเนี่ยมันจะถึงอุปาทานก่อนแต่แสดงจากประชาราณาเนี่ยมันจะถึงอุปาทานก่อนไม่ใช่จะถึงพบก่อนแล้วก็จะถึงอุปาทานอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่น จิตที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายเนี่ยโดยอำนาจความรู้สึกดีหรือว่ารู้สึกไม่ดีก็เรียกว่าเป็นอุปาทานท่านจําแนกเอาไว้เป็นสี่ประการด้วยกันการแรกคือการมุปาทานถือมั่นโดยอำนาจความใคร้ในสิ่งที่ตนใคร สิ่งที่คนคร้ก็คืออารมณ์โลกอารมณ์โลกก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นยินร้อนอนแข็งแล้วก็เป็นธรรมารมในขณะเดียวกันก็มันมีทิฏฐุปาทานอุปาทานคือทิฏฐิเป็นความเห็นที่ปักใจฝังใจในเรื่องนั้นนั้น เรื่องที่เราฝังใจนั้นอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้ายังเป็นดีไม่ดีอยู่เนี่ยมันนําไปสู่ภพการเกิดเพราะว่าพระหันท่นต้องละได้ทั้งดีและไม่ดีคือละได้ทั้งบุญและบาปเรียกว่าปุญญาปา ป, าปะปิญโนคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปดังนั้นถ้า อย่างต้องเกิดมันก็เป็นทิฏฐิบางทีมันก็ดีนะฮะตัวทิฏฐิเนี่ยีดีแต่การยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ดีก็อาจจะเป็นกุศลสูงขึ้นก็ได้แต่ ต, ตราบใดอย่างยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เนี่ยมันไม่เกิดโทษไม่มีทุกอย่างล้วนเกิดโทษด้วยกันทั้งนั้น ก่ที่ถุกปาทานก็ถือมั่นโดยอำนาจของทิจฉีต่างๆทีนี้เมื่อเร า, เราจําแนกโดยละเอียดกือจําแนกแบบละเอียดขึ้นมาเนี่ยก็จะพบว่าโดยพิสดารกามมุปาทานถึงทราบโดยในที่สัตว์ไว้แล้วว่าบรรณาอุปาทานเหล่านั้นกามมุปาทานเป็นชนัยได้แก่ความพอใจด้วยอนานาจความใคร่ในกามทั้งหลาย กาก็คือวัตถุ ก, การามดังกล่าวคือรูปเสียงกรีนรถเป็นต้นทีนี้ทิศถูกปาทานถือมั่นเดิมหน้าของทิศฐินั้นเป็นอุปาทานด้วยจึงชื่อว่าทิศถูกปาทานหมายความว่าเป็นทิศทีด้วยเป็นอุปาทานด้วยกิเลสชาติขึ้นชื่อชื่อว่าทิศถูกปาทานเพราะยึดมั่นโดยทิศทเรียกว่าทิศถูกปาทาน วิเคราะห์ว่าเป็นเหตุให้ยึดมั่นซึ่งชิตชิกิเลสชาติโดยยึดมั่นทิฏฐิเดิมในคำทั้งหลายมีอย่าที่ว่าทั้งอัตตาอาตามันถะเป็นโลกเป็นของเชี่ยงเพราะฉะนั้นกิเลสชาตินั้นจึงชื่อว่าเป็นอย่างนั้น ก, กลาโดยสรุปก็คือยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนตนเป็นขันห้าขันห้าเป็นตนตนมีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนก็ตามแต่ที่ท่านจะยึดดังนั้นคำว่าที่ถุปาทานจึงเป็นชื่อของทิฏฐิทั้งหมดนอกจากสีรพตุปาทานและัตะวาทุปาทาน นี่ก็กล่าวโดยสังเกตนะกล่าวโดยสังเกตก็มีจะมีข้อความอย่างนั้นเพราะว่าท่านอธิบายในลนักษณะหมุนกลับคือจากหัวไปท้ายจากท้ายมาหัวเขาก็หมุนกลับทีนี้ต่อไปนะั้นก็ศีลประทปฐานถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปร ะ, ประพฤติปฏิบัติโดยความยึดมั่นไว้อย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้อง อย่างนี้เท่านั้นดีอย่างอื่นไม่ดีอะไรเนี่ยเราเห็นว่าการยึดถือในลักษณะนั้นนอกจากจะเป็นทิฏฐิที่เห็นผิดแล้วเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยกับตนเราจะรู้สึกมีโทษะต่อคนที่เห็นด้วยกับตนแต่ในขณะเดียวกันก็มีโลภะ ค, คือต้องการให้คนอื่นเขาเห็นด้วยอย่างที่ตนเห็น อย่างลทัทธิศาสนาทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าอาการของศีลปตุปทานเนี่ยมันเยอะจะยืนยันความเห็นของตัวเองในศาสนาของตัวเองเนี่ว่าถูกต้องทั้งหมดแล้วก็ไปปฏิเสธไปแสดงอาการอังเกียรตเป็นแสดงอาการความเป็นเราเป็นเขากับคนที่ไม่เห็นไม่ตรงกรับตน ผลความขัดแย้งทางศาสนามันมีมาตลอดแม้ในศาสนาเดียวกันแม้เนกนิกายเดียวกันบางทีแม้แต่ในวัดเดียวกันเพราะาการศึกษานั้นไม่ได้บ่งชี้ว่าเราต้องเป็นสมาธิถิเสมอจะต้องผ่านการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เห็นธรรมะเหล่านั้นด้วยจิตของตัวเอง หือได้สัมผัส ด, ด้วยจิตสัมผัสผลด้วยจิตนะสัมผัสเหตุด้วยจิตแล้สัมผัสผลด้วยจิตความเห็นก็จะยุติการลงรอยเดียวกันลงแนวเดียวกันคนที่ถูกประทานเขาก็ไปอยู่ทุกอย่ง่ทุกงานเนี่ยหมายความว่าจะมีการยึดอยากก็ยึดนะฮะไม่อยากก็ยึด ไทิฏฐิทปาทานไอ้ศีลประตุปะท า, านก็ยึดถืออย่างนั้นคนอื่นต้องเห็นอย่างที่ตัวเองเห็นจนในสมัยโบราณที่เขาพูดว่าทิฏฐิของพระคือระบบของศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาไม่ดีเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยง เพราะโอกาสที่จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็ปักใจฝังใจอยู่กับสิ่งระนับนีนน้มันมีได้ง่ายอย่างแม้แต่บทสวดหนังสือสวดมนต์แปลทั้งหลายเวลาเนี้ยพิมพ์แจกเยอะมากเจอบ่อยมีส่วนหนึ่งก็ตรงกับเพื่อนคือมาจากพระบาลีพุทธวจนะด้วยกัน แต่ส่วนหนึ่งคือไม่ตรงไม่ใช่อบาลีพุทธวจนะแต่มีเนื้อหาเป็นการยกย่องสรรเสริญพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ได้แปลอะไรทีนี้บางทีมันไม่จะเป็นอย่างนั้นนะไม่ตรงกับพระพบาลีพุทธวจนะแล้วไม่คล้อยตามพระรัตนตรัย รรกระคากระโดดลอยออกไปเลยแล้วเราก็มีการสวดกันในเรื่องแ่านี้อย่างฟังรายการที่เขาตอบปัญหาธรรมะทางสถานีวิทยุเราได้ยินบ่อยนะคําำถามในลักษณะนี้ตามบทสวดที่ชื่อแปลกๆ ก, ก็เคยดูแต่ว่าเคยไม่เคยอ่านจบ อ่นไปหน่อยหนึ่งเราก็ดูออกแล้วว่าไม่ใช่พระบาลีพุทธวจนะก็ถ้ามีเรื่องจำเป็นจะต้องท่องจะต้องนำมาสวดภาสาท ย, ยเนี่ยเอาที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะดีกว่าเราอย่างท่องไม่หมดนี่เยอะแยะไปหมดเเรายังจำไม่ได้ยังไม่รู้นี่มีเยอะเอาเฉพาะพระบาลีพุทธวจนะไว้ก่อน แล้วก็อัตวาทุปาทานถือมั่นในวาท ะ, ะวัทะวัตตนเป็นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งจะเห็นว่าแนวความเห็นในลักษณะนี้ก็เรียกว่าอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานนั้นมีข้อที่ควรสังเกตไว้ประการหนึ่งว่าเป็นเหตุยึดมั่น เพียงวาทะวาตนเท่านั้นว่าเป็นอัตตาคำว่าอัตาวาทุปาทานเป็นชื่อของสักกายทิฏฐิวัตถุยี่สิบเดยกันยี่สิบนี่ต้องจับหลักอย่างนี้คือหมายความว่าในขันห้าเนี่ยมองขันห้าอยู่ในขขันละสี่สถานะ เป็นตัวเป็นตนนะเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไปยึดถือว่าไอ้ตัวตนนี่อยู่ที่ไหนบางตัวตนเป็นรูปบางทีตัวรูปเนี่ยเป็นตนบางทีรูปอยู่ในตัวตนหรือตัวตนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไปยึดถืออย่างงันเหมือนกันรวมแล้วก็เป็นสักยาติทิฏฐิยสบ ห้าสีก็ยี่สิบดังนั้นอัตวาธุปาทานเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าคือปุถุชนในาศาสนานี้ไม่ได้สดับแล้วไม่เห็นพระญะแล้วก็จะมีความเห็นอย่างนั้นมีความเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็พร้อมที่จะเถียงได้ตลอดนะคนชยชอคนไทยนี่ชอบเถียงเสียเล คือบางทีประเด็นที่ยกขึ้นมานั้นตัวไม่ทราบความเป็นไปเป็นมาเลยแต่ว่าขอเถียงหน่อยก็แล้วกันพอเถียงก็ไปกันคนละทิศคนละทางก็พูดกันไม่รู้เรื่องแต่ก็นิยมชอบเถียงกันทีนี้เพราะตัณหามันเกิดเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยของกามุปาทานแล้วก็เป็นอุปนิสยปัจจัย หรือปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นปัจจัยที่เกิดในระหว่างการอะรกันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะเป็นสมมันตปัตตปัจจัยเป็นนาฏิปัจจัยเป็นวิกตะปัจจัยเป็นอาเสวณาปัจจัยแต่เป็นปัจจัยของอุปทานที่เหลือโดยเป็นสหชาตาปัจจัยคือปัจจัยที่เกิดพร้อมเกิดพร้อมกัน ให้ลองสังเกตว่ามันมีความเป็นอุปาทานด้วยกันทุกข้อแต่ว่ามีสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรม ท, ทุกข้อมันกันก็สิ่งในโลกสรุปแล้วก็เป็นรูปธรรมกับนามธรรมดังนั้นเด็กทีนี้มาถึงตัญหา <c oughs> ตัหานันก็อย่างที่บอกเอาไว้แล้วว่าโดยกรอบใหญ่ของตัญหานี้มันมีอยู่สามสามประเด็น เดี๋ยวนี้อาการสืบเนื่องเนี่ยอย่าลืมว่ามันอยู่ในกลุ่มของคือตัณหาเป็นปัจัยเกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจัยเกิดตัณหาได้แล้วแต่ว่าพูดจากหัวมาปลายหรือพูดจากปลายไปที่หัวตัณหาก็มีอยู่สามประการมีลักษณะสามแล้วก็มีปร ะ, ประเภทเป็นสามแต่ก็มีองค์มีองค์ธรรมเนี่ย เป็นหกด้านละหกนะคือมันสืบเนื่องมาจากทิฏฐิที่เราเรียกว่าสัตสตะทิฏฐิกับอุเฉตะทิฏฐิคือความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้ย่งยืนไม่แปรผันนั้นพวกหนึ่งเรียกว่าสัตสตะทิฏฐิอีกแนวหนึ่งก็ถือว่าสิ่งต้องปวงขาดศูนย์ไปเลย ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีอะไรเลยทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วไปเลยถามว่าเดี๋ยวนี้ความคิดความเห็นของคนในโลกยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ตอบว่าเหมือนเดิมส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิมนะฮะไม่เคยออกไปจากกรอบใหญ่สองกรอบเนี่ยเพราะมันไปเป็นความเห็นที่เกี่ยวกับภพบชาติเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด สตตาธิฏฐินี่ถือว่าคนเราตายจากอะไรแล้วก็จะไปเกิดเป็นคนนั้นต่อไปต่อๆไปตลอดฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกซิกหนึ่งก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือเที่ยงนั่นแหละว่าต้องเกิดน่นแน่แต่เกิดแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงตามอะไรละ่ะ เปลี่ยนแปลงไปตามบางโดยบางเอิญบ้างเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาบ้างก็เลยสังสารสุทธิแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยอํานาจของสิ่งเป็นใหญ่หรือว่า จ, จะเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าเทพ เ, เจ้าอย่างของไอเดียเขาก็เรียกพระอิศวรเป็นต้นเนี่ยคือเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นทีนี้ที่ถือว่าขาดศูตรเนี่ยบางทีก็เรียกว่าตายก็หมดไปเลย อีกอย่างหนึ่งถือว่าตายไม่หมดอออยังเหลือยังร่องรอยในาศาสนาในโลกเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีแนวที่ของาศาสนาที่ตายแล้วฝังเนี่ยค็ับกถือว่าหนึ่งเมื่อถึงวันพิพากษาเนี่ยศพที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยที่ถูกฝังไว้ในใต้ดิน มันจะลุกขึ้นมาจากจากจากหลุมแล้วก็มาประชุมกันในที่ที่พระผู้เป็นเจ้าพิพากษาทูดแล้วก็ส่งให้คนเหล่านั้นไปอยู่สวรรค์ชั่วนิรันดรหรือว่าไปอยู่นรกชั่วนิรันดรก็เคยคุยกับผู้นำทางศาสนาเทวดายู่ท่านก็เอารูปถ่ายอะไรแต่ไรไม้ดูเยอะเลย เอาคำพีมาให้ด้วยตัววันคำพีก็ยังอ่านไม่จบนะมันเยอะเหลือเกินแล้วก็บอกว่าพอวันพิพากษาเนี่ยทุกคนจะฟื้นขึ้นมาถามว่าฟื้นขึ้นมาในลักษณะอย่างไรแกบอกว่าฟื้นขึ้นมาก็เป็นตัวเป็นตนอย่างเนี้ยอย่างที่โราเป็นอยู่เวลาเนี้ยโอ้บอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็น่นนาคิดแล้วโยม เพราะอะไรเพราะว่าโลกเนี่ยมันมีคนมาเกิดแล้วก็ตายไปเนี่ยวันับกันไม่หวาดไม่ไหวะเท่าไรก็ไม่รู้เวล น, นี้ประชากรโลกมีหกพันแปดร้อยล้านคนแล้วยังเหลือพวกสัตว์อีกแหะถ้าลุกขึ้นมาเต็มโลกเนี่ยแกจะมาประชุมกันตรงนั้นได้อย่างไง แล้วก็ถามถึงสถานที่ว่าสถานที่ที่คุณว่าเนี่ยบริเวณพื้นที่สักกี่ไร่เลยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่าไรหร่หรอกเป็นพันไร่เท่านั้นก็บอกว่าต่อให้ทั้งโลกเลยถ้าเขาฟขื้นขึ้นมาได้จริงๆแล้วก็กินพื้นที่นี่กินเนื้อที่เนี่ยมันขยับไปไหนไม่ได้หรอกก็อยู่ในที่เดิมนั่นแหละ ที่ที่ลุกขึ้นขึ้นมานั่นแหละเดี๋ยวเขาก็สมัครใจจะเชื่ออย่างนั้นเราก็เพียงตั้งข้อสังเกตคือไม่ได้คัดค้ า, า, านอะไรเขาต่้งข้อสังเกตสอบถามเขาเท่านั้นเองคือเป็นสิทธิที่เราควรเคารพใครจะเชื่ออย่างไงก็เชื่อไปประเด็นสาคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่การละชั่วประพฤติดีหรือไม่ คนเรานั่ยความเห็นหลังตายเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับความเห็นในขณะที่มีชีวิตอยู่เราเราจะอยู่อย่างคนดีหรือจะอยู่อย่างคนชั่วกรรมจะเป็นตัวจำแนกเองไม่ใช่จำแนกอย่างที่เราเชื่อแต่จำแนกอย่างที่เราคิดเราทำเราพูดที่ทรงแสดงว่า กรรย่อมทาหน้าที่จำแนกแบ่งแยกสัตว์ให้เลวซามและมีความประนีแตกต่างกันออกไปประ น, น, นีก็เป็นประเด็นหลักตัณหานั้นเสร็จแล้วมันจะมาออกเป็นอาการที่ปรากฏในชาติปัจจุบันคือเวลาสัมผัสกับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาสัมผัสเนี่ย เราจะรู้สึกชอบไม่ชอบกับเฉยๆสามอย่างถ้าชอบก็อยากได้อยากมีอยากเป็นก็กลายเป็นการมาตัณหากับภวะตัณหาทีนี้ถ้าไม่ชอบมันก็ไม่อยากได้ไมันก็อยากมีมันก็อยากเป็นไม่นก็อยากเห็นไม่อยากไม่อยากสัมผัสไม่อยากเกี่ยวข้องก็กลายเป็นวิภวะตัณหา ทีนี้วิปปัตติฐาเนี่ยมันก็นำมันมันก็มาจากความเห็นว่าขาดศูนย์แล้วการมติหาก็มีความเห็นว่าเที่ยงแท้อย่างเย็นมันมาจากตรงน้นทีนี้ท่าทีต่ออารมณ์ที่เราสัมผัสหมายความว่าในกรณีที่เราชอบการมติหาก็เกิดเพราะวิปปัตหาก็เกิด ที่เราต้องการมากนี่คืออยากได้ก็อยากเป็นทีนี้ในกรณีที่เราไม่ชอบมันก็กลายเป็นวิภวัตตนาไอ้วิภวัตตานานั่นแหละมันก็มีลักษณะซ้อนอยู่อีกว่าที่เราไม่ชอบสิ่งนี้เนี่ยหมายความว่าเราไม่ชอบสิ่งอื่นที่เราชอบสิ่งอื่นเนี่ยหมายความว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้ด้วย เราจึงพบว่าตัณหาทั้งสามก็เป็นปัจจัยของกันและกันรายเกิดก่อนเกิดหลังไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ในสุดก็จะเป็นปัจจัยของกันและกันไม่ไปซ้ายก็ไปขวาไม่ไปขวาก็ไปซ้ายแหละก็ต้องอิงอาศัยด้วยกันอาการที่ปรากฏแก่จิตเวลาตัณหาปรากฏนั้นก็คือก็เรียกว่าโปโนภวิกา ก่เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปนั่นประการหนึ่งอาการที่ปรากฏแก่กจิตเป็นเป็นอาการหนึ่งนันดิรากส า, าคตาจิตจะกำหนดดลหนาดความเพลิดเพลินในอารมณ์ที่เรากำหนดโดยความรักหรือความชังแล้วทีนี้ถ้าว่ากำหนดด้วยความชังไม่ใช่ความชอบนะ ความชอบมันก็กลายเป็นว่าจะเพลิดเพลินในสิ่งเหลยานั้นยิ่งคิดนทีนี้ความชอบเนี่งคู่กับความไม่ชอบตรงกันข้ามกับความไม่ชอบไอ้สิ่งที่เราชอบเป็นนันมากในสุดเราจะเบื่อผลจิตเลยก็ถูกสัดเวียงไปตามแรงของความเห็นว่าเที่ยงกับความเห็นว่าขาดศูนย์นั่นแหละก็เวียงกันไปเวียงกันมาอย่างเงี้ยทีนี้ ในตัญหาเหล่านั้นสรุปว่าประเภทที่จิตเราเกิดตัญหาก็เป็นรูปที่เรากำหนดด้วยความรักหรือความชังเป็นเสียงที่เรากำหนดด้วยความรักความชังเป็นกลิ่นที่เรากำหนดด้วยความรักความชังเป็นรสที่เรากำหนดด้วยความรักความชังเป็นสัมผัสเย็นร้อนนองแข็งที่เรากำหนดด้วยความรักความชัง แล้วก็เป็นธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เรากําหนดด้วยความรักความชังพอยินดีเนี่ยเมื่อจิตยินดีมันก็ไปเกิดสัตตถทิฏฐิดังกล่าวทัานก็ไปคิดว่ารูปเที่ยงรูปมั่นคงรูปยั่งยืนก็ประสบความทุกข์ประสบความทุกข์เพราะเห็นไม่ผิดอะ เห็นผิดว่ารูปเที่ยงเลยมันผิดแล้วเพราะมันไม่มีรูปอะไรที่ ท, ท, ที่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเพราะนั่นพอรูปไปเจอกับรูปที่ไม่เที่ยงแท้ไม่มั่นคงไม่ยังยืนเข้าก็โสกะคือโศกแต่รูปที่เที่ยงไม่มีอนะฮะรูปที่เที่ยงมันไม่มีพราะเราก็ต้องอยู่ด้วยความผิดหวังไปตลอดไม่สมหวังสักทีหนึ่งไม่เป็นที่พอใจสักทีหนึ่ง ทีนี้ก็เป็นเหตได้เกิดราคาที่เกิดร่วมนะฮะราคาความกำหนั ด, ดเกิดร่วมกับชิชิสั ต, ตาทิทิหรือความมีนวัเจียงเพราะมันมีละความสลับซับซ้อนเราจะเห็นได้ชัดว่าพวกเนี้ยแต่และเรื่องนี่นำปัญหามาอีกเยอะแยะไปหมดเ ทีนี้เมื่อได้ยินเมื่อยินดีรูปเป็นไปอย่างนี้ว่ารูปขาดศูนย์คือดับศูนย์ด้านโลกนี้ไปแล้วจกไม่มีโดยความเป็นราคาเกิดร่วมกับอุเฉติทิกฐิก็ชื่อว่าวิภวะตัญหาแห็นไสามชั้นนะช้องมีอยู่สามชั้นนะแที่จริงมากกว่านั้น มากว่านั้นเยอะแล้วก็ส่วนตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในผู้ทพักตัณหาในธรรมรมก็รวมแล้วว่าเป็นตัณหาที่เป็นอดีตสามสิบหกเป็นอนาคตสามสิกเป็นปัจจุบันสามสิบหกก็รวมแล้วก็เป็นตัณหาร้อยแปดนะไอ้นี่ก็ไม่ต้องไปนับหรอก คือไปโยงตัณหาสามแล้วก็โยงกับอายตนาภัยในภายนอกหกแล้วก็ไปโยงกับการสามเอาคูนก็ไปเราจะเจอว่าเออตัณหานี่ยเอาควาจริงมันมีทั้งสามสิบหกถ้าเราสังเกตความคิดเราในแต่ละวันก็ได้คิดถึงด้วยความรักก็ได้คิดถึงด้วยความชังก็ได้อารมณ์ที่เราคิดถึงนั้นบางทีมันเป็นเรื่องอดีตเรื่องเก่า บางทีมันเป็นเรื่องปัจจุบันบางทีมันเป็นเรื่องขฝันปรารถนาพร่ำเพียกเรียกหาในอนาคตเราลงบ้ากลายเป็นเรื่องหกด้วยกันทีนี้เอาสามไปคูณกับเก้านะฮะไม่ใช่เอาสามไปคูณกับห 3ามหกกเป็นอดีตสามสิดอนาคต38ปัจจุบันสามอีกอย่างหนึ่งตัำหาทั้ง38ดทั้งทั้งทั้ง18ประการเนี่ยอาศัยรูปที่เป็นไปในภายในเป็นต้นเพราะใส่รูปเป็นภายในเนี่ยมีตำหาว่าเรามีเพราะรูปนี้และเมื่อเรามีเราก็เป็นที่ปรารถนาและตำหาอีก18ประการ อาศัยรูปที่เป็นไปในภายนอกเป็นตนนื้ที่อย่างนี้ว่าเพราะอาศัยรูปเป็นปัใจจัยในภายในในภายนอกมีตันหาเรามีรูปนี้แล้วว่าเมื่อเรามีเราก็เป็นที่ปรารถนารวมเป็นตันหาสามสิบหกนะในอดีตสามหกนาะคตสามหกปัจจุบันสามสิหกดังกล่นี่ก็ การอธิบายโดยพิศดานปผลการต่อสู้กันหาที่จริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมันอ ย, กกยอยู่หมดทุกการเลยอยู่หมดทุกการแล้วก็หมดทุกอารมณ์อารมณ์ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางๆ ก, ก็ได้เมื่อรวมกันมาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ได้สรุปว่า ดังนั้นนักปราชญ์พึงทราบตัณหาโดยการไขความโดยการกระจายให้พิสดารและโดยการรวมที่แยกพิสดารให้ย่อเข้าอย่างนี้คือมาย่อเนี่ยตัวรากงาวมันก็คือถืออวิชาแนะแต่ว่าตัวรากที่เราเห็นว่ามันแ บ, บ่งมันสองฝ่ายเนี่ยคือโลกเที่ยงกับโลกไม่เที่ยงอ้โลกเที่ยงกับโลกไม่เที่ยงเนี่ยมันก็แตกออกมาเป็นสามอีกทีนึง สามก็ไปเกี่ยวข้องอารมณ์อย่างละหกอีกีหนึ่งอารมณ์หกอย่างนะมีรูปเป็นด้นแล้วก็ไปเหนียวนึกเอากับการทั้งหลายตั้งที่เป็นอดีตอน า, นาคตปัจจุบันทีนี้พวกนี้มันไปเกี่ยวกับเวทนาไม่เกี่ยวกับเวทนาวันถ้าเราจะตั้งคําถามว่า เวทนานั้นเป็นปัจจัยแห่งตัณหาในทวารหกอย่างไรก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยเฉเพราะเวทนาเป็นสิ่งที่น่ายินดีเมื่อสัตว์ตงหลายยึดมั่นในเวทนาว่าเป็นของเราอยู่รืยความชอบใจในสุขเวทนาเขาจะก่อให้เกิดความทยานอยากเวทนายินดีอยู่โดยการกหนัด ยินดีซึ่งเวทนาปรารถนาอยากเห็นรูปที่เป็นที่ประทับใจทางจักสุแล้วก็เรื่อยไปนะตลอดตลอดทุกอารมณ์ทั้งหกทั้งหประการในโซตาัฐาวาน่อย่หาัตาวานกายตัฐวานอโธปทะเอกายตัวานมโนตทวานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเหมือนแม่ผู้รักลูก ทำสักการะแก่แม่นมคือให้เขาดื่มและบริโภคเนยใสยและขนมที่อร่อยเป็นต้นเพราะเหตุเสน่หาในลูกแม่นมถ้าไม่เสน่หาในลูกของเขาคือไม่รักลูกเขาเนี่ยเขาก็ไม่แสดงความชื่นชมยกย่องแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมกันขนาดนั้นหรอกแต่เพราะเขาไปรักลูก หมายความมาเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความรักแม่รักลูกแล้วก็แม่นุมก็รักลูกก็ต่างก็หวังดีเพื่อความสุขความเจริญแก่ลูกของตัวเองในที่สุดแม่นุนแม่นมก็ได้รับผลจากการรักลูกของแม่และจากการรัก ลูกของไม่ใช่รักอะไรล่ะในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเลี้ยงให้ความรักลูกซึ่งตัวเองเป็นพี่เลี้ยงก็เป็นรักเดียวกันแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันไม่ใช่ข้อ ย, ยุตินะว่าความรักจะต้องเกิดกับความรักอย่างนี้เสมอไปคนรักคนคนเดียวกันก็จจะเป็นศัตรูกันก็ได้ เช่นผู้ชายรักผู้หญิงคนเดียวกันก็เป็นศัตรูกันผู้หญิงรักผู้ชายคนเดียวกันก็เป็นศัตรูกันมันก็เป็นเหตุให้เกิดศัตรูเลยขึ้นอยู่กับว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยทําให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นนะกาคือในกรณีของลูกเป็นความรักที่เจือโดยเมตตาในสูงมากก็ จิตมันจะทำหน้าที่โอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลทีนี้ถ้าใครมีจิตอย่างนั้นแล้วคิดอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นคือทำตรงกันไม่ต้องการเอาไปเป็นครอบครองไม่ต้องการครอบครองลูกนั้นพี่เลี้ยงนางนมไม่ต้องการจะครอบครองลูกไปเป็นของตัวเองแต่ว่าเลี้ยงในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงนางนม ทำหนัาที่เดียวกับแม่เลยคืออบพุ่มคุ้มครองปกป้องรักษาภิบาลแต่ว่าที่ชายหนุ่มรักผู้หญิงคนเดียวกันหรือผู้หญิงรักวิชายคนเดียวกันเนี่ยมันเป็นความรักที่มุ่งครอบครองมันมีตันหายอยู่เยอะกะ็หมายความว่าคนคนเดียวเนี่ยจะครอบครองสองคนมันก็ครอบครองไม่ได้ แต่ว่าคนคนเดียวถ้าจะอบุ้งคุ้งครองปกป้องรักษาพิบาลเนี่ยกี่คนก็ได้ประโยชน์มันตกที่ตัวเด็กแต่ว่าชายหนุ่มหญิงสาวที่แย่งคู่ครองกันเนี่ยมันต้องการความสุขเพื่อตัวเองไม่ต้องการให้คนอื่นมีส่วนร่วม คนสึกแย่งคู่ครองกันเนี่ยมีตั้งแต่ไหน ต, ต, ตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่มนุษย์มีเกิดขึ้นในโลกแล้วนี่ก็เป็นอาการที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าพวกเวทนาพวกสัญญาพวกสังขารพวกวิญญาณเนี่ยมันก็เป็น เวทนานั้นเป็นเรียกเวทนาขันแล้วก็มีฐานะเป็นเจตสิกธรรมเป็นตัวจิตสังขารคือเกิดขึ้นปรุงจิตให้จิตมันหมุนวนไปกับกระแสของตัณหาัลงกล่าวนี่แหละดังนั้นท่านจึงเรีย ก, กว่าเวทนาก็มีจะขูดเวทนาจะถูกโสตาขานะจิวหากายมโนเหมือนกันนะ่ มาความวเวทนา6กมันก็เกิดมาในชุดเดียวกับอารมณ์เดียวกับตัณหานั <c oughs> ่นแหละตัณหาเกิดในที่ใดเวทนาก็เกิดในที่นั้นเพราะถ้าตัณหาชอบตัณหาเกิดและรู้สึกชอบเนี่ยมันก็เป็นสุขเวทนาถ้าตัณหาเกิดมันเกิดไม่ชอบขึ้นมามันก็เป็นทุกขเวทนา ตรงนี้แสดงในช่วงที่ <c oughs> ตัณหานั้นเป็นเหตุให้เกิดเวทนาไม่ใช่ตัณหามาจากเวทนาหมายความว่าเอาเวทนามาพูกก่อนในตอนที่เริ่มที่อวิชชาเนี่ยเอาเวทนามาขึ้นก่อนแต่พอตอนนี้เริ่มที่ชาติชราก็เอาตัณหามาขึ้นก่อน แต่ว่าพวกนี้มันก็อยู่ที่จังหวะที่เราจะพูดแต่ว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยก็ไม่แน่หรอกตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาก็มีเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาก็มีในแต่การเกิดของเราที่บอกมาจากกับวิชาสังขารวิญญาณเนี่ยก็มันเกิดจากตัณหาก็มีอยู่ในกระบวนรเดียวกัน ตัณหาเนติบุริสังนะตัณหายังชนให้เกิดขึ้นนั่นก็แสดงว่ามันอยู่คนละช่วงอยู่คนละจังหวะกันนี่ก็เป็นกระบวนการปฏิจจสมุปาทิในอีกช่วงหนึ่งคือตัณหาวาระแล้วก็มาถึงเวทนาวาระนะกลับไปที่หัวนะด้านหัวทีนี้เวทนา เออมัเกิดปักษะปัสสะก็คือการกระทบการระหว่างอายตนะภายในภายนอกวิญญาณอย่างละหกไนหมายความอายตนะภายในหกภายนอกหกวิญญาณหกมันก็เกิดเป็นสัมผัสคือการกระทบการกระทบกันหกหยุดด้วยกันในเรื่องเดียวนั่นแหละคืออายตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัส ก็กลายเป็นเรื่องของสัมผัสทิวาระทีนี้เมื่อสัมผัสแล้วมันก็มาจากอะไรล่ะมาจากอายตนะอายตนะยังไงละ่ะอายตนะภายในภายนอกอีกนันแหล ะ, ละมันก็มีเท่านั้นนั่ะมัมีเท่านั้นเองอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ยานตาภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภณัณฑธรรมารมแต่ว่าตัวที่กิเลสมันเกิดเนี่ยมันปรารฏตัวนอกตัวในเนี่ยทำให้เราเห็นนั่นเองให้เราเห็นเราได้ยินเราได้สูดดมเราได้ลิ้มเราได้ชิมเราได้จับต้องแล้วก็เก็บความจำเอาไว้ภายในใจแล้วก็ตอนนำมาเนียวนึกเนี่ย มันเป็นเรื่องของอายตนาภายในคือใจที่ปรุงคิดคิดปรุงให้เกิดกิเลสก็ได้ให้เกิดธรรมะ ก, ก็ได้เตงมฟังทางลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี